ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวย น, นัสังปนโนเสนอตอนที่สาสหลวงปู่เจี้ยนิมนต์มิมิตรครั้งที่หกทางไม่สะดวกนิมิตรครั้งที่เจ็ดหลวงปู่มั่นพาไปบินทบาตและอยู่จนทบรุรีท่านพอ่อรีเมตตา หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจะให้อวาาธรรมเอาไว้ว่าธรรมมิได้เป็นไปตามสมัยเก่าและใหม่แต่ธรรมก็คือธรรมโลกก็คือโลกมาดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติธรรมจึงควรดำเนินตามเหตุผลที่เหมาะสมผลที่พึงหวังจึงจะมีทางเกิดขึ้นได้โลกของสัตว์หรือพูดเพราะๆโลกมนุษย์เราทั้งโลกสมมติอย่างนี้ มองไปที่ไหนมีแต่คนเป็นโรคชนิดต่างๆกันเป็นไปหมดสูวนยาแม้ขนาดเดียวหมอแม้คนเดียวที่จะตรวจตรารักษาโรคไม่มีมนุษย์ทั้งโลกนั้นจะฝากความหมายฝากความหวังฝากชีวิตจิตใจฝากความเพึ่งเป็นเพึ่งตายไว้กับใครก็เหมือนกับคนตกหรือคนจมอยู่ในน้มหาสมุดนั่นแหละไม่มีเรือมีแพอะไรเข้ามาเป็นที่เกาะที่พึ่งพิงมีแต่จมท่าเดียว หอยลมหายใจจะสิ้นสุดลงเมื่อเวลาหมดกําลังแล้วเท่านั้นธรรมต่างหากพิเศษประเสริฐไม่มีอะไรเหมือนในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแดนโลกธาตุนี้คําว่าธรรมไม่ได้เป็นรูปร่างที่มองกันด้วยตาเนื้อแต่ธรรมเป็นธรรมชาติที่ละเอียดสุขุม สุดที่จะนำมาเทียบเทียงเปรียบเทียบกับสิ่งสมมติทั้งหลายได้ใจเป็นความละเอียดชั้นใดธรรมก็ย่อมมีความละเอียดชั้นนั้นและใจเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมทั้งหลายนอกนั้นไม่ใช่ที่สถิตอันถูกต้องของพระธรรมหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหรือเล่าชีวประวัติของท่าน ในพรรษาที่22ปีพศ2498ขณะที่ท่านจำพรรษาที่วัดใกล้สถานีทดลองการเกษตรปัจจุบันวัดซากใหญ่หมู่11ตำบลพริยวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเอาไว้ว่าปีพศ2498เราออกจากม่ยทายก็มาบวชโยมแม่ที่บันตาแล้วต่อไปยังวัดยังระหงสมัยนั้น ยังเป็นป่าเป็นดงรถเข้าได้เป็นบางเวลาหน้าแลง้งรถจิบเข้าไปได้บ้านที่จะได้ลงมาจันท บ, บุรีก็เพราะเป็นห่วงโยมแม่ถ้าโยมแม่บวชแล้วอยู่บ้านตาจะเป็นสัญญาอารมณ์กับลูกกับหลานอยู่ในบ้านใกล้บ้านไม่เหมาะสมก็พาหลบหนีมาอยู่ที่จังหวัดจันท บ, บุรีมีแหละเข้าไปอยู่วัดยางระหงพักอยู่วัดยางระหงประมาณสามเดือนออกจากยางระหงอาจารย์เคียตุนโดก็มาในมลเราว่า โยมพี่สาวเจ้ลุยคุณรัตซื้อที่ดินไว้26ไร่3งาน53ตารางวาเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทอยากถวายเป็นวัดกรรมฐานก็มองเห็นท่านอาจารย์พอดีเวลานี้ท่านอาจารย์กำลังเที่ยวทุง ด, ดงมาทางจังหวัดจันทบุรียังไม่ได้ตั้งรกตั้งรากฐานที่ไหนมาขอนิมนให้ไปที่วัดใกล้สถานีทดลองเราจึงได้พาโยมแม่ไปตามคำนิมนของอาจารย์เจี้ยไปจำพรรษาที่นั่น อาจารย์เกียเป็นผู้มีบุญมีคนต่อเรามากเราไม่เคยลืมนะฟังลึกมากเรานี้ไม่เหมือนใครถ้าฟังอะไรต้องฟังลึกมากพอในวันเราไปที่วัดใกล้สถานีทดลองเราไม่ได้ทํางานอะไรเราไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นสัญญาอารมณ์กับการก่อสร้างท่านอาจารย์เกียท่านทําเองทั้งหมดยมนั่นสร้างกุฏิหลังนั้นโยมนี้สร้างกุฏิหลังนี้ท่านชีท้ทีเดียวเลยคนที่ไปอยู่ที่สถานีทดลอง ยายมาจากหน้องบัวซึ่งเป็นญาติญาติของท่านทั้งนั้นจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามท่านก็คุ้นกับเขาอยู่แล้วองค์ท่านสั่งยังไงก็ได้หมดเรื่องสิ่งปลูกสร้างอะไรๆ ไ, ไม่มีปัญหาเลยได้คนละหนึ่งหลังเลยเราก็เลยอยู่จําภรษาที่นั่นนั่นแหละท่านอาจารย์เกีย้ยท่านมีบุญคุณต่อเรามากนะหลืงตามหาบัวยานสมปันโน ได้เล่าถึงนิมิตของท่านในขณะจำพรรษาที่สถานีทดลองเอาไว้ว่าเรื่องลึกลับเรื่องแปลกๆที่แต่ละครั้งละค่าวที่แสดงนี้นานๆจะแสดงที่เรื่องแปลกๆเช่นอย่างตอนที่เราจำพรรษาอยู่ที่สถานีทดลองจะไปจังหวัดตราดเราตัดสินใจปุ๊บ ป, ปั๊บในเดียวนั้นจะไปกลางคืนนิมิตไม่ดีแต่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจังหวัดตราดก็เลยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังเรียกพระมาบอกวันนี้ ผมจำเป็นที่จะต้องไปจังหวัดตราดด้วยความจำเป็นแล้วให้คอยฟังเสียงของผมนะนิมิตผมไม่ดีนะเมื่อคืนแต่ไม่มีการเก็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอันตรายตอนน่อชีวิตแต่เกี่ยวกับเรื่องเวล า, วลามีความคาดเคลื่อนได้เมื่อคืนนิมิตแสดงอย่างนั้นแล้วเราก็เดินทางแต่ก่อนรถไม่ค่อยมีพอไปถึงหน้าสถานีรถประจำทางจึงถามเขาว่ารถเทียนชัยออกไปหรื อ, อยังอ้อรถเทียนชัยยังไม่ไปเขาว่างั้น พอเขาว่ารถเทียนชัยมันสะดุดจิตปุ๊บขึ้นมาในนิมิตควรไปรถเทียนชัยหรือไม่มันขวางขึ้นมาทันทีเลยนะสักประเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงรถบิงมาบินมาไปดูซิรถคันไหนมาเขาก็วิ่งปุ๊บออกไปดูรถกําลังวิ่งมานี่รถรถสพกําลังมาเขาตะโกนว่าอย่างนั้นเอา้าขึ้นคันนี้คันนี้เลยถ้าไม่ขึ้นคันนี้ไม่ได้ไปนะเราก็ว่าอย่างนี้นะพอไปแล้วก็คงฝนตกทั้งคืน ถึงจังหวัดตราดพอเลยอำเภอคลุง้งไปเท่านั้นแหละโอ้โหฝนตกหนักจนกระเป๋ารถมันต้องเดินนําหน้ารถน้ําฝนมันท่วมสูงเกระบเอารถคอยทำเลยโบอกนําทางไปเป็นย่นยานย่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละไปตั้งสามย่านสี่ย่านพยานบุกขึ้นเนินไปจนได้เราจรึงลงที่นั่นไปค้างอยู่คืนเดียวพอกลับมาวันหลังน้ําฝนมันมากยิ่งกว่าอะไรรถก็มาได้แค่12กิโลเมตรเท่านั้นเราก็ลงมาเปลี่ยนผ้าอาบน้ําแล้วเอาผ้ากีวรพันคอ เลยน้ำลึกสามถึงสี่แห่งบางแห่งก็ได้นั่งเรือบางแห่งไม่มีเรือก็ลุยไปพอขึ้นมาถึงที่เนินนั้นเห็นแต่ใบไม้ลาดอยู่ตามนั้นแล้วก็เห็นรถบัดเทียนชชยเครื่องพางอยู่นั้นไปไม่ได้เห็นคนเอากิ่งไม้มากันดารดาษผลพรมทั้งคืนเปียกแชะไปหมดมีรถคันเดียวทิ้งไว้นั้นรถอื่นไม่มีสักคันเดียวไปดูเห็นคนตากฝนกันคิดว่าถ้าเรามารถเทียนชชยคันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เองนี่ละ มันถึงได้ขวางในจิตมันไม่ยอมจะขึ้นรถคันนี้กี่คนมาก็อยู่นั้นหมดไม่ทราบว่ากลับคืนไปนูน่นหรือไปไหนก็ไม่รู้กลับคืนไปเขาสมิงหรือไปไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ถามเขามองดูตามข้างทางใบไม้ปูเกลื่อนไปหมดเลยมีแต่ขี้ตม้มขี้โครนเต็มไปหมดเพราะฝนพรำทั้งคืนนี้แล้วทำไมคนจะไม่แย่ละ่ะพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกจากนั้นแล้วก็มาค้างที่วัดที่อาเภอคลุงเรื่องนิดนี้ นอกจากมันสําคัญจริงๆเราถึงจะยึดเอามาพิจารณาถ้าธรรมดาธรรมดาที่มันเป็นในจิตนิดมก็ไม่เป็นไรเท่าที่เด่นมากก็คือหรือถ้าเรื่องคนจะมาทําบุญทำกุศลทําทานนี้รู้สึกเด่นมันมาผ่านจิตใจของคนกระแสของกิตมันเป็นเหมือนคลื่นอากาศอย่างไรไม่รู้นะเหมือนเครื่องวิทยุออกอากาศนี้เป็นไปนตามนิสัยของคนกระแสกิตนี่แรงไม่ใช่เล่นถ้าเพ่งแรงไปแรงถ้าเพ่งเบาไปเบา แผลซ่านชุ่มเย็นไปหมดพอพูดอย่างนี้ก็ให้นึกถึงโยมทองแดงอยู่จันทบุรีกระแสจิตของแจแรงมากแกเคารพเราสุดหัวใจทีนี้มีพระโย์หนึ่งชอบที่คุยที่โม้เราไม่ระบุชื่อเป็นคู่แข่งของเราไปบ้านโยมทองแดงไปคุยโม้โ อ, โ อ, โอโ้อวดและบอกแจว่าเอา้าโยมมานั่งภาวนากันพระองค์นั้นพูดเสร็จราาก็นั่งภาวนาทันทีโยมทองแดงแกก็นั่งหยีบมากที่จะเอามาถวายเราในตอนเช้า จะคิดว่าพระอาจารย์องค์นี้พูดคาไหนมีแต่ขวางอาจารย์ของเราอวดเจงกับอาจารย์ของเราตลอดเป็นยังไงท่านเจงจริงๆหรือเราจะดัดนิสัยอาจารย์องค์นี้สักหน่อยพอใจคิดอย่างนั้นแล้วก็เพ่งกระแสะจิตในขณะที่มือกําลังจีตหมากเพ่งเอาธาตุไฟของพระองค์นั้นจึงกระโดดตกลงมาจากที่นั่งภาวนาร้องเสียงดังว่าโยมทางแดงทําไมกําหนดไฟเผา อ, อัตมาเขายัางไงนี่ผมกําลังนั่งจีบหมากอยู่โยมทางแดงจะถือเราเป็นอาจารย์ เขารบเรามากที่สุดขบขันดีเหลือเกินพระองค์นั้นมันมาคุยเหยียบเราลูกศิษย์เราัซักก่อนืลองตามหาบัวยานสัมปันโนเดี๋ยวเล่าชีวรประวัติของท่านในขณะที่จาพรรษาที่วัดสถานีทดลองถึงนิมิตของท่านเอาไว้ว่าปีนั้นเป็นปีที่สร้างวัดที่สถานีทดลองสามแยก พ, พลิ้วจังหวัดจันทบุรี วันนั้นฝนตกหนักพระออกไปบิบาบมีหลายสายไอเราเป็นผู้ใหญ่มักจะเอาเปรียบผู้น้อยละเป็นธรรมดาแล้วผู้น้อยก็ชอบจะให้เราเอาเปรียบเสียด้วยนะพระก็เรียนว่าท่านอาจารย์ท่านไปบิบาทสายใกล้ๆนี้สะดวกดีผู้น้อยก็อยากให้ผู้ใหญ่เอาเปรียบผู้ใหญ่อย่างเราก็ว่าเออเรามันผู้ใหญ่เราไม่สะดวกเราไม่เหมือนผู้น้อยมันไม่คล่องตัวเราไปสายใกล้ๆนี้ดีกว่า ทีนี้พอออกไปบินทบาศเราไปสายใกล้ๆสถานีพระไปหลายสายเฉพาะอย่างยิ่งแถวคลองวันนั้นฝนตกหนักลนกั้นร่มไปทางผ่านมีคลองชายไม้าพาดข้ามไปแล้วก็ไต่ข้ามฝนตกมากฝนตกมากลื่นพอลื่นพระที่ไปบินธบาศก็ตกลงคลองเลยลงไม่ใช่ธรรมดาลงแต่ไม่ล้มนะตกลงในน้ำยังกั้นร่มอยู่เข้ากับน้ำโอ้ยมันเต็มไปหมดคือน้ำเต็มบาน ขาไม่ทราบไปไหนแช่กันไปเลยทีนี้ตอนคละกลับมาจากบิทธบาตรแล้วพระท่านมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังองคนั้นว่าอย่างนั้นองค์นี้ว่าอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับน้ําเรื่องตกคลองคือบิทธบาตรตกลงไปน้ําก็เข้าบาดหมดเลยวันนี้ไม่ได้อะไรเลยได้แต่บาดเปล่าๆมาถ้าจะเอาน้ํากับข้าวมาก็ไม่ทราบจะเอามาอะไรท่านพูดก็มีเหตุผลทั้งทั้งที่เสียดายอยู่สงสาร ญ, ญาติโยมเขาก็สงสาร แต่มันกินไม่ได้จะทำยังไงท่านว่านั่นฟังสิท่านผู้มีธรรมแล้วเราจะจับเอาทุกระยะเลยนะเพราะเราสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดให้มีความเป็นธรรมตรงไหนแงไหนผิดธรรมแ่ไหนถูกธรรมแ่ไหนออกนอกลูก่นอกทางมากน้อยเพียงไรจะตามติดตามตลอดพอพระนงทันว่าทอย่างนั้นแล้วเราก็คิดเอเรานีหัวหน้าเอารัเอาเปรียบหูเพื่อนมากไป มือเพื่อนเล่าธรรมดาเราก็รู้เจตนาเราก็รู้เล่าทั้งหัวเราะทีนี้ก็เลยคิดตกลงใจนะต่อไปนี้เราจะไปสายอื่นไปสายนั้นบ้างสายนี้บ้างไม่เอาเปรียบ ม, มือเพื่อนมากเกินไปสายใกล้สายไกลาสายไหนไปทุกสายแหละทีนี้คิดตกลงในใจแต่ไม่ได้พูดให้ใครฟังพอตกเวลากลางคืนจึงฝันว่าพรอแม่ครูจานทร์มั่นเดินมิทธบัติมาแต่เราก็ยืนอยู่ธรรมดาท่านมาชวนว่าไป ไปท่านมหาจะพาไปบิธฑบาทลักษณะครูครูเอ๊ยอย่างไรวันนี้เราจะมีความผิดอย่างไรแน่ๆอย่างนี้ลูกศิษย์กับอาจารย์มันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเห็นอาการของอาจารย์อย่างนั้นต้องมองเจ้าของมันผิดตรงไหนแน่ๆเลยอันนี้เหมือนอย่างพระเนนมันกลัวเรามันกลัวแบบเดียวกันนี่แหละไม่ได้กลัวแบบอื่นนะใจทั้งรักทั้งสนิททั้งกลัวมันเป็นอย่างนั้นแหละจากนั้นก็รีบคล้องผ้าแต่คล้องผ้าในความฝันมันไม่ได้ยากนะ มันปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยเลยพอเราเดินไปตามหลังท่านท่านก็พูดขึ้นว่าไอ้ผู้ที่เขาหาหนะ่ะเขาหาแทบล้มแทบตายนะผู้ที่เขาหามาให้ทานได้แต่ละทับทีแต่ละหอนี้แต่ละหมกแต่ละหอนี้เขาหาแทบล้มแทบตายนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้แดดสู้ฝนแค้เราถึงเวลาก็ด้อมด้อมจะเอามากินเฉยๆก็ว่าลําบากมันจะส่งศาสนาไปได้อย่างไรมีแต่พระขี้เกียจ พระชาติจะเห็นตั้งแต่ความลำบากไม่มองเห็นอัตเห็นธรรมไม่คิดเห็นอัตเห็นธรรมนี้เลยทรงศาสนาไปไม่ได้แล้วยิ่งจะมีแต่พระขี้เกียจอ่อนแอด้วยแล้วศาสนาจมไปเลยพอได้ไม้จากพ่อแม่ครูจารย์มั่นมาตีหัวเราแล้วเราก็เอาไม้นั้นแหละไปตีหัวหมู่เพื่อนพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็สอนพระทันทีว่านี่ท่านทัน้งหลายเขาหามาทแทบล้มแทบตายกว่าจะมาให้ทานแต่ละครั้งแต่ละหนนี่ เดินด้อมดมเป็นมิทธบัตตตบคลองเท่านั้นตบคลองมันก็ความเสื่อของคนต่างหากไมได้เป็นเพราะอะไรนี่นะนั่นล่ะความไม่สงบมันเป็นอย่างนั้นความเสื่อเสื่อซ่าซมันเป็นอย่างนั้นไอเราก็ตีหมู่เพื่อนไปเรื่อยๆเลยที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไปโปรดสัตว์โปรดสัตว์เขาเรียนครู่เดียวขนาดเดียวเขาก็มีผลมากมีอนิสงส์มากได้ยินได้ฟังนิดหนึ่งนิดหนึ่งเขาก็มีผลมีอนิสงส์มากและเขาให้ทานนิดหนึ่งก็ตาม มีผลมีอ น, นิสง์มากที่สุดเลยอะไรให้ทานก็ดีความเคารพทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีอะไรที่เกินให้ทานและเคารพพระพุทธเจ้าพระสาวกาาทั้งหลายไม่มีในโลกนี้ห<ม>ลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านขณะอยู่จันท บ, บุรีและท่านพ่อดีธรรมะทะโรได้เมตตาองค์ท่านเป็นอย่างมากเอาไว้ว่า เราจะพูดเรื่องหกขันให้พี่น้องทั้งหลายทางจันทบุรีได้ฟังบ้างตอนนั้นเราพักอยู่ที่วัดสถานีทดลองบรรดาลูกศิษย์ญาติโยมทางจันทบุรีพอวันเสาร์กับวันอาทิตย์ไปกราบฟังเทศของเราแล้วเขาไปคุยให้ท่านพ่อหลีฟังตอนนั้นท่านพ่อหลีท่านพักอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งท่านพ่อท่านพ่อเวลานี้ได้พระดีมาแล้วนะได้พระดีเทศเก่งน้าไหลไฟสว่างไปเลยอยู่ที่สถานีทดลอง เขาไปเล่ท่านพ่อฟังเขาไม่รู้ว่าท่านพ่อหลีกับเราสนิทกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขามาคุยให้ท่านฟังว่าพระองค์นี้ท่านมาจากอุดรชื่อว่าท่านอาจารย์มหาบัวเทพเก่งมากท่านก็เลยตอบว่ามันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนั้นสิเราขบขันจะตายเรากับท่านพ่อหลีเคยสนิทสนมกันมานานแล้วตอนท่านไปพักอยู่วัดหน้องผือกราบเยี่ยมพ่อแม่ครูจันมั่นตอนนั้นเราอยู่หน้องผือพ่อแม่ครูจานมั่นเมตตาท่านพ่อลีมาก มากเหมือน ก, นกันกับท่านจันฟั่นก็เป็นแบบเดียวกันคล้ายคลึงกันท่านพลีนิสัยท่านเด็ดมากเพราะฉะนั้นแม่ครูจรันมั่นท่านถึงเมตตามากเราอยู่จำพรรษาที่วัดสถานีทดลองพอพรรษาแล้วเราก็ออกจากวัดสถานีทดลองอำเภอแรมสิงก็เดินทางเข้าเขาน้อยสามผานเราและคณะได้พักอยู่ที่เขาน้อยสามผานนานพอสมควรแล้วจึงเดินทางกลับจังหวัดอุดรธานี